ปัญหาที่เจ็ดถามการเกิดอีกแห่งพระนาคเสนข้าแต่พระนาคเสนก็พระผู้เป็นเจ้าละจะเกิดอีกหรือไม่อย่าเลยมหาปิฏพระองค์จะต้องประสงค์อันใดด้วยคำถามนี้พระอาตมภาพได้กล่าวไว้ก่อนแล้วไม่ใช่หรือว่าถ้าอาตมภาพยังมีอุปทานคือความยึดถืออยู่ก็จะเกิดอีก ถ้าไม่มีความยึดถือแล้วก็จักไม่เกิดอีกขอหนี้มนุปมาด้วยขอถวายพระพรเปรียบเหมือนกับบุรุษผู้หนึ่งได้กระทำความดีไว้ต่อพระราชาพระราชาก็ทรงโปรดปราณเขาได้พระราชทานทรัพย์และยศแก่เขาเขาก็ได้รับความสุขในทางกามคุณห้าด้วยได้รับพระราชทานทรัพย์และยศนั้นถ้าบุรุษนั้น บอกแกมหาชนว่าพระราชาไม่ได้พระราชทานสิ่งใดแก่เรามหาบพิษจะทรงวินิจฉัยว่าบุรุษนั้นพูดถูกหรือไม่ไม่ถูกพระผู้เป็นเจ้าข้อนี้ก็ฉันนั้นแหละมหาบพิษจะประโยชน์อันใดด้วยคําถามนี้เพราะอาตมาภาพได้บอกไว้ก่อนแล้วไม่ใช่หรือว่าถ้าอาตมาภาพยังมีความยึดมั่นอยู่ก็จะเกิดอีก ถ้าไม่มีความยึดมั่นแล้วก็จะไม่เกิดอีกขอถวายพระพรถูกแล้วพระผู้เป็นเจ้าอธิบายดิกามิลินกล่าวว่าปัญหาข้อที่เจ็ดนี้เคยถามมาก่อนแล้วข้างต้นนูน้นแต่ที่ถามอีกก็เพราะอยากจะฟังคำอุปมา